นี่แหละหลวงพ่อวอลนี่คือวอาเสียงไก่ไกไหม้เลยคนาดยังเสียงเสียงจึงฉัดบพคือเสียงของคู่บาอาจารย์เสียงคูบาอาจารย์พจนอัดเนี่ยพจนเอาไว้ไก่ไก่ลยสมัยหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยพจนบ่ห้เอาไหม้มากไก่เลยไหม่บ่ได้มากไก่พุ่นอะอ ย, อยู่ต่างห้างต่างว่าสองสามว่าพุ่นอะโยกับพระที่นั่งฟัง่งอยู่ทั้งนาพุ่นอะบางที่พระนั่งฟั่งก็ต่าง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 พุทธปฏิมาไปกราบหลวงพ่อชาลีแล้วก็ได้ลงมาหาหลวงพ่อกาบหลวงพ่อเนี่แหละวัดหลวงพอ่อห ม, มีแนวห ม, มีอันยังโชว์แสดงมีแต่ซาร่าลังนี้แหละเป็นซาราโบรันโบรานเป็นซาร่าไม่สัางมากกันน่นละพอสอยุดตรงฐานพระประธานนี่พวกห้าเบิงนะี่ยปีส5 3 0ัาร้าลังนี่สัางมากกั น, นีหลายปีที่เดียว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 ยามืันเสามาโอ้ทําไมเสียงบึวอึ๋ ว, ว, วเป็นเบางล้วโอ้มีแต่นกเป่านะคนบัวล้านคนพัวเขา้าเคยอยู่ในป่าหลวงเคยอยู่ยักมานกเป่านกเขาเป่านะโอ้หลายเป็นร้อยสองสมรอยตัวก็นะบินว่อนเลยโอ้นกมานยังหลา ย, ยตัวเนี่ยว่ะนะนี่แหละมีทังกระหอกกระแตกระหอกกระหลายในวัดนะแต่พวกตะองไม่เก่งก็มีนะ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 ถ้าว่าต่อไปพ้ายภาคนาขันหากว่าพวกท่านทั้งหลายมีการาราวาฆราวะหาหายางคือข้าลบในพระพุท ธ, ธเจ้าใครๆกับว่าพวกท่านทั้งหลายให้ข้าลบในพระพุท ธ, ธเจ้าบอกพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นผู่มีพระคุณเป็นตนศาสตาตนพระพุทธศาสานาของเฮาให้เฮาพวกท่านทั้งหลายให้ความข้อลบ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 ให้เข้ารบผู้มีอายุพรรษาที่มากกว่าก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เล่าอ่อนน้อมทอมตนซะอย่าไปแข่งกระด่างแข่งกระด่างมันก็เท่านั้นแหละมันปกเป็นผลดีในการยู้ด้วยกันแล้วก็เค้าลบในการศึกษาให้เทาศึกษาเบิงตำรับตำราในพระธรรมคําสอนพุทธประวัติเปนว่าจังไรสาวกับ <c oughs> สวกะประวัติเพปนว่าจังไร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 จินตนาไขขั้วนทบท่วนสิ่งที่ได้ยินี่ในฝั่งมาแล้วนั่นขี่ค่ายดูดให้เข้าใจาการกล่องไตรตองจินตนาการเบังเดี๋จินตามยะยปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อไรแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อพ้นว่าให้จิตใจสงบสะกก่อนเป็นเมื่อจิตใจเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็เดินทางวิปัสสนาไปเนี่ยขี้คลายดูทางวิปัสสนาเกิดปัญญาที่แท้จริงตัดกิเลสราคะโทษสะโมหะได้อย่างชัดเจนอันนี้เพิลนว่าภาวนามยปัญญา เ, เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาส่วนสุตมยปัญญากับจินตามยปัญญายังเป็นปัญญาทางโลกอยู่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 แต่พ่อขอไปบวชแต่ผมก็ยังสางยุทธังสางวัตถุนี่ยสางพระพุทธรูปผมกนี่ผมก่อนสีสางพระพุทธรูปใหญ่ให้อ่แล้วก็สางอย่างเข า, เขาวาแต่ว่าสาหรับผ่าเนี่เบิ่งแล้วออกนอกลูกนอกทางหลวงพอนี่แหละอันนี้หลวงพอ่อยิ่งเท่านั้นหลวงพอก็สะเทือนเขามากขึ้นเกินเพราะว่าเฮาอยู่ในยุนีฟ่ฟ้อนี่แมนบอลอายุในผ่าเหลืองผ่าหัวหล่นพมเหลืองใ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 ถ้าเขามาทําขับกระเพ้าเขาก็เสียใจคือกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันปุถุตเจ้าบอกอย่างสัน้นเลอข้อที่สี่มุสาว่าท่าเวรมานี่อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขาะไปโกหกเอาเงินเขาสอหลอกล่วงเขาสิต้มตุนเขางสิเมื่อเขาเขาก็เสียใจแตาเมื่อเขามาทํากระเพ้าคือกัน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 กันว่าปวกเข้าน่ะปีนาเน่คันปีนี้บริเตต่างจิตอธิษฐานนะปีนาเนี่ยปีหาสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าเนี่ยผู้ขายอย่างนี่หลงพร อ, อินพเพิรนวอเลยเรื่องซูล่าเมรยะเนี่ยผลว่าหางดในพันษาเนีข้าพเจ้าจะงดละเออพอได้ฟังเพิรนวลเออเป็นโทษเออเป็นเิงทีบอดีสิ้นหาหนึ่งคืออย่างลงพอเลยเปรียบเทียบครับพี่น้องประชาชนชัท่าญาดโยมวาน ศินข้อที่ห้านี่สุราเมรยะมัชฌะปม่าการดื่มสุราสุรากคือเหล้าเม่่ก็คือเบียสุราเมรยะมัชฌะปม่าข้าพเจ้าจะบอดื่มของสุราและเม่ัไลขั้นชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายามาโคเคนมีมากมายดือยนะี่ถึงจะเป็นอย่างก็ตามที่โบมีซือ่อบ่กมีสื่อก็าตาม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 ฝนตกมันเปียกเสียหายมัดในสาราลังนี่อันนี้คือกันคนขนเฮ้าคนหนึ่งเนี่ยถ้าขาดสติสายางเดียวเท่านั้นล่ะจึงจะมังมีสีสุกเงื่อน100ลอยล้านพันล้านก็นเถอะถ้าเป็นบ้าสายามเดียวเท่านั้นอิตาหนันเป็นบา้าได้ย่าย่ เ, น, เ น, นี่เป็นบ้านี่ยไอ้ว่าวโวยจักรู้เรื่องนะ่ยเงื่อนที่หามาได้มากไหม ม, ามาหาศาลเนี่ยเสียหายาม ด, มดขาดความเสื่อถืออีกต่างหากเพราะอะไลเพราะคนนั้นเป็นบา้า อันนี้คือกานพวกเข้าอยากจะเป็นยังสั้นบ่อทเป็นโั่วขังวข้งโั่ข้าวถึ้งจะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยกบนาจะเป็นจังสัน้นเพราะเหตุใดเพราะคนขี่เม้าแล้วมันเป็นยังไงขาดจะตีแล้วมันบนาเบิง้งมันบนาดูถ้าไม่เสียหายเสียบุกคลิกอีกต่างหากวันนั้นจริงทั้งหลายเรงทั้งปวงเรานี่ยลงพ่อว่าให้ฟังสี่แจงให้ฟังให้ลูกหลานผู้บูกเคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ยังได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังฮะ ให้พวกหลานลูกหลานอย่างนี้ในฟัง่งพ่อฟังไปแล้วนะให้พวกเข้าสังเกตนำไปคิดนำไปพิจารณาการกรองใตต่องต่อเติมอีกแมนบอลที่หลวงพอบอให้ฟั่งเนี่ยมันแมนบอลถ้ามันแมนเออใช่แมนมีเป็นมีเหตุมีผลจริงออตั้งแต่บัตรนี่เป็นต้นไปขาพระเจ้าจะงดละออขาพระเจ้าจะรักษาสีนหาขาพระเจ้าจะรักงดสุราโดยเด็ดขาด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 เออนี่ยแหละหลงตามหาบัวพันว่าโอ้โได้ผลเอพนย่อมหลับเอ่อตกอนพันกับกำหนดล่มหายใจยังพระพุทธเจ้าพันมันื้งายอิลีบานนี้พันก็เลยบริกรรมพด ท, ท้อแนวแน่วแถวที่หลวงปู่หมันสอนเออบริกรรมพด ท, ท้อพด ท, ท้อโพดท้อจนจิตใจเข้าสู่ความสงบอะบานนีเออจิตใจของข้าจะเข้าสู่ความสงบได้บานนิ่งอะไรบานเนี้ขอนมีสติสัมปะชัญญาอยู่กับเจ้าของนี่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 มโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจหลวงพอก็เลยมาวาวให้พวกเข้าฟังง่ายๆนตัวของเขามี่สองอย่างรูปประทับคือร่างกายใจมัดใจของเขาเนี่คือมโ น, โนคือใจคือโซ่เฟืเอ่องลดร่างกายคือการขับรถนะลูกหลานนะเน่าแต่วจิตใจนึง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 ตัวนี่เองที่พระพุทธเจ้าพันว่าตายแล้วบ่อสูญตายแล้วไปเกิดอีกเป็นสัตย์ที่ไรชานไปตกนรกเป็นเป็นอย่างไดมัดพระพุทธเจ้าพันว่าพันตรัสวังสันพ่อในขึ้นขึ้นวันเดือนหกเพ่นที่เปิลพาวนาตอนหัวคําน่ยเปิลนางภาวนาจิตร่วมสงบลงไปหนึ่งเปิลว่าปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติทุนหลังได้เพิลระลึกชาติทุนหลังว่าตายแล้วบ่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเด้อ